สิบหกพระเจ้าบันดาลให้คนเป็นไปตามที่ขอได้จริงหรือแม้ในโลกถึงปัจจุบันนี้ก็เห็นความจริงอยู่ชัดๆว่าในสรรพสิ่งมีความชั่วเกิดในคนมีความทุก์เกิดในคน ยิ่งเป็นกาละที่ใกล้กรียุกเช่นสังคมทุกวันนี้ทั้งความชั่วทั้งความทุกข์มันทั้งเลวร้ายโหดร้ายทารุณแสนสาหัสอีกทั้งมากมายจนไม่รู้จะกล่าวอย่างไรกันแล้วทำไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งที่พระเจ้า มีพระปณิธานจะช่วยมนุษย์ให้มีความสุขความเจริญเป็นคนดีแท้ๆแต่ทำไมจึงปล่อยให้คนทั้งหลายต้องยิ่งหนักหนาสาหัสไปกับความชั่วและความทุกข์อยู่เล่านั่นก็คือพระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยคน ที่เขาอ้อนวอนร้องขอให้ตนพ้นทุกข์ได้อย่างเป็นจริงให้ตนเป็นคนดีได้อย่างเป็นจริงตามที่คนอ้อนวอนร้องขอนะสิทำไมพระเจ้าไม่บันดาลให้ทุกคนที่อ้อนวอนร้องขอได้ทุกสรรพสิ่งทันทีตามที่ขอ เพราะพระเจ้ามีอำนาจเต็มเด็ดขาดที่สุดแห่งที่สุดนี่นาและพระปณิธานของพระองค์ก็ตรงกับทุกคนอยากดีอยากสุขกันทั้งนั้นหรือจะปฏิเสธว่าพระเจ้าไม่มีพระปณิธานให้คนเป็นคนดีให้คนเป็นคนมีสุข ซึ่งที่จริงนั้นพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ใช่หรือเมื่อพระเจ้ามีพระปณิธานประสงค์ที่จะให้คนทุกคนในโลกเป็นสุขเป็นคนดีแล้วทำไมพระเจ้าไม่กำจัดความทุกข์หรือความชั่วออกไปให้หมดโลก หรือไม่ต้องให้มีความทุกข์ไม่ต้องให้มีความไม่ดีอยู่ในโลกเลยเสียละ